พี่กาอยากจะถามแล้ว่ ะ, ม า, ะมาจากไหกรุงเทพเจ้าค่ะที่นี่เรียนเรียนปอเอดเลยค่ะต อ, อ, อนนี้เแื่อน่ี่ยงพี่ ม, มีอะไรอยากจะถาม <c oughs> ไหมฟังฟังไปก่อนจะดี๋จะถามว<ม>่าเลียนปอเอกไปทาอะไร เอาละพาใจอย่าเพื่อนดีพาใจยเไม่ถามแล้วก็ขอถามเลยนะไม่ใช่พาใจเอาลวเรียนไปเลยได้รู้จักกันเนี่ยมีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็พามาให้บรรลุหรือเปล่าเดินไปในบรรลุนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพามาถึงบรรลุ มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยสิเจ้าค่ะแค่ได้ยินคำพูดว่าความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดนั่นะความรู้ทางโลกท่วงหัวระดับปอเองเนี่ยท่วงหัวแล้แต่เอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์สาธุ แบบนี้ปู่ต้องตาได้ท่านก็่พอสามก็พอพอสามพอสีน่นพอไม่ต้องปอยอกีก <c oughs> <c oughs> พออ่านออกเขียนได้ได้งกบวชได้ะบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติาตายสิกข า, าวิชาสาม่ว่าตายสิกขาอันนี้ไม่ได้ดูถือเรื่องปอยอีกปลอยนะั้น เคยเล่นปอยเอกได้ก็ถือว่าเก่งเลยแต่ยังเก่งทางโลกเก่งทางโลกสู้เก่งทางธรรมไม่ได้เพราะทางโลกนี่สู้กิเลสไม่ได้ทางโลกนี่เป็นลูกน้องของกิเลสรับใช้กิเลสจบเอาปอยเอกจบปอยเอกก็กิกเลสก็สั่งให้ไปหาเงินไปหาเงินมาให้กิเลส เราก็มาสร้างความทุกข์ให้กับคนที่ได้ปอเอกเนี่ยอุตสาสานาไม่มีปอเอก <c oughs> มีไตศิกขามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท <c oughs> เรียนปอเอกแล้วไม่ปฏิบัตมันก็ไม่ได้ปฏิเวท <c oughs> มันมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกนี่ก็เรียนศึกษาเรียน เป็นหมอเองทางพุทธศาสนาก็เถือว่าอยู่ในแค่ขั้นปริยัตแต่ทางโลกเขาก็ให้ประกาศเขาให้ประกาศแล้วเขาให้ปริญญาแล้วเขาให้ปฏิเวทเลยปฏิเวทโดยไม่ต้องปฏิบัติแต่เป็นปฏิเวทใบกระดาษกิเลสนไม่กลัวไม่กระไ กิเลสไม่ตายด้วยใบใบใบกระดาษจบแล้วเดี๋ยวไ ป, ปรับปริญญาได้ใบกระดาษมาใบกิเลสที่มีอยู่ในใจก็ยังอยู่เท่าเดิมมีมื่ดีมีมีมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นหนะลงตัวเองมากขึ้นนะเราเราเก่งเราฉลาดมากขึ้นนะแต่ความจริงแนละ้วเราต่งโง่มากขึ้น เพราะเรากำลังเดินไปผิดทางกันเพราะส่วนให ญ, ญ่ที่เรียนทางโลก แ, แม้ว่าจะเป็นกัลยาณทางทางพุทธศาสนาก็ยังเดินผิดทางกันอยู่เพราะว่าคิดว่าสาเร็จแล้วแล้วก็ไปสอนต่อผ่านขั้นที่สองไปคือคิดว่าได้ศึกษา แล้วก็ได้ปฏิบัติพร้อมๆกับการศึกษาแล้วพอได้รับปริญญาเรียนจบก็คิดว่าได้ปฏิเวทแล้วเมื่อได้ปฏิเวทแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ได้แล้วไปสั่งสอนทุกอย่างแล้ว mm hmm. ก็สั่งสอนแบบความจา mm hmm. ไม่ใช่แบบความจริงเพราะความจริงของ <c oughs> วิชาพุทธศาสนานี้เรายัง ไม่ได้เจอตัวจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่เจอตัวจริงเหมือเวลาที่นักมวยเขาซ้อมโชค ม, มวยเขาโชคกับคู่ซ้อมโชคกับกระสอบซ่ายเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วแต่เขายังไม่ได้เจอตัวจริง ต, ตัวจริงคือตัวแชมป์ต้องไปขึ้นเวทีต้องไปโชคกันบนเวทีอย่างที่ล่าสุดนี่ชื่อหรืสีสเกตดอะ ไ ป, ไปชิงแชมป์ไปป้องกันแชมป์อันน้นถึงจะรู้ว่าเป็นแชมป์จริงรกอแชมป์ปลอมต้องไปขึ้นเวทีเจอกับคู่ต่อสู้ถ้าเจอกับคู่ซอ้อมมันยังไม่ใช่เป็นของจริงกระสอบซายนี่มันไม่ใช่เป็นของจริงต่อยกับมันกระสอบซ้ายมันไม่หลบมันไม่ต่อยกับคู่ต่อสู้จริงนี่ไปต่อยเขาเขาหลบ หลังแล้วก็ตายกับเการการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็น เ, เป็นผลผลที่เกิดจากการศึกษานี้ยังไม่เป็นปฏิเวทปฏิเวทที่กิเลสต้องตายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆต้องตายถึงจะเรียกว่าปฏิเวท ถ้ายังมีความโลภอยู่ยังมีความอยากอยู่เป็นอยากได้อยากนั่ น, อ ย, น, นอยากได้นั่นอยากได้นี่อย่างนี้ยังไม่เป็นปฏิเวณพอจบปริญญารับปริญญาได้ก็อยากไปทำํำนู่นทํานี่อยากจะไปสอนอยากไปหางานทําอยากได้นู่นอยาอยากได้นีนนนนนนน่จากการทํางาน อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ผลได้แต่ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิเวทการศึกษาทางพระพุทธศาสน า, าในสมัยปัจจุบันนี้จึงผิดทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเรียนนักจำทีนักทำตโทรเอกแล้วก็ไปต่อประเรียนสาประเรียนเ จบปีเรียนก้าก็ได้ได้รับสมัยก่อนเขาก็พระราชทานยพันยศให้ให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเราคิดว่าสำเร็จแล้วไ ด, ได้ได้รับรางวัแลวแล้วก็ไปสอนต่อไปสั่งสอนต่อการเรียนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้กิเลสมันสะเทือนใจเลย กิเลสไม่ได้หลดออกจากใจกิเลสมันจะหลุดออกจากใจก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติศีนสมาธิปัญญานี่แนะวิชาสามนี้จะเป็นวิชาที่จะฆากิเลสได้ถ้ารักษาสีนี้กิเลสก็ตายไปหลายตัวแล้วกิเลสที่อยากจะทำบาป ก, ก็ตายไปแล้วทำไม่ได้ อยากจะฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปลดเดือมเชรายามาอกิเลสเหนี้ทําไม่ได้อยากจะกินข้าวเย็นก็กินไม่ได้อยากจะเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไม่ได้อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทําผมก็ทําไม่ได้ยมันต้องฆ่ากิเลสกิเลส พวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นอ่ะความอยากสวยอยากงามนะครัอะไรต่างๆต้องเอามาปฏิบัติถึงจะรู้ว่ า, ากิเลสเรายังมีอยู่แล้วไม่มีม <Okay. S 1> เรายังอยากข่าวอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> เห็นยุงยังอยากตกอยู่หรือเปล่า <Yeah. S 1> เห็นงูเห็นแมลงยังอยากกําจัดมันอยอะป่า <Yeah. S 1> เห็นสัตว์เห็นอะไรต่าง ๆ, ๆ ยังอยากฆ่ายังอยากขโมยอยู่หรือเปล่ายังอยากประพฤติผิดเเวณีอยู่หรือเปล่ายังอยากพูดพูดปดยังอยากเดินเซอรายาเมาเที่ยวกางคยเล่นการพ น, นันนี่คือการปฏิบัติต้องลิเสิ่ ง, หงเหล่านี้แต่จะเรียกว่าปฏิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นฆ่าเสกต่อจิตใจ เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องฆ่าความอยากฆ่าอยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดตัวเองเองอยากพูดปลดอยากโกหกหลอกลวงอยากลื่มชาายามาอยากเล่นการพนันอยากเที่ยวกลางคืนนี่คือการปฏิบัติ ในสามขั้นขั้นที่หนึ่งก็สีต้องไม่ทำอะไรเลยทำแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือทำมาหากินเนียงชีพถ้าเป็นภาคก็บินกระบะเลียงชีพไปเป็นญาติโยมก็ทำกับข้าวกับปลาไปซื้ออาหารหาที่ตลาดมาทำเสร็จแล้วก็มา ปฏิบัติขั้นที่สองที่สาคือขั้นสมาธิขั้นปัญญาวันวันหนึ่งปฏิบัติแต่ศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็ฝึกสติก่อนการจะได้สมาธิก็ต้องควบคุมความคิดให้ได้ความคิดถ้าหยุดไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิด เพราำว่าสมาธิก็คือความนิ่งของจิตเนี่ยจิตจะนิ่งได้นี่ต้องมีสติต้องคอยกำกับควบคุมความคิดไม่ให้คิดเวลาจะคิดกับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไล่มันไปก็เลยทำพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุโทโธพุธโทโธไป ถ้าควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสมาธิได้สติกับสมาธินี้เป็นของเราตัวกันนะสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลแต่ทางโลกเขาเอาคำว่าสติเอาคำว่าสมาธิมาใช้แทนสติเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยเกิดใจพุง้งใจคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้นนทางานนี้ ใจไม่ค่อยอยู่กับงานกับการอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติกับการทำงานแต่ทางโลกจะเอาคำว่าสมาธิมาใช้ก็เลยไม่รู้ว่าสมาธิจริงเป็นยังไงคิดว่าสมาธิก็คือคือการมีใจอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อันนี้เรียกว่าสติการมีใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังทำงานก็มีสติอยู่กับการทำงาน ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็จะไม่มีสติทำงานทำงานก็ทำงานไม่ได้ผลทำงานไม่รู้เรื่องแต่แทนที่จะใช้คำว่าสติก็มาใช้คำว่าสมาธิ mm hmm. ก็เลยหลงคิดว่าเวลาตอนเองทำงานเวลามีสติก็เลยคิดว่ามีสมาธิ mm hmm. ก็เลยไม่ต้องนั่งสมาธิ mm hmm. นี่ก็ถูกกิเลสหลอกเองแล้ว mm hmm. กิเลสไม่อยากให้เข้าสมาธิ เพรากิเลเข้าสมาธิเหมือนจับ ก, กิเลสเข้าไปขังในกองนั่นเองกิเลสนั้นเหมือนลิงมันไม่ชอบถูกขังในกองมันชอบออกมาเพ่นพ่านตามรูปเสียงกลิ่นรสกิเลสชอบพวกนี้นมันชอบดูชอบฟังชอบริ้มรสชอบเดมดยมกลิ่นชอบไปนี่นู่นมาที่นี่พอจะให้มันเข้าสมาธินี่มันกลัว มันไม่ชอบมันก็รลยหาเิธีหลอกไลหลอกว่าสมาธิคือสติเวลามีสติก็ถือว่ามีสมาธิแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิการมีสติแล้วก็เป็นสมาสติที่วิชฉาสติใช่คนบางคนก็คิดว่าเวลาไปเที่ยวนี้ก็ต้องมีสติถึงไปเที่ยวได้ <c oughs> ได้แต่มั น, ม, นมันถุลุถ้าเมาก็ไปเที่ยวไม่ได้เวลาเมานี่ไม่มีสติแล้วเวลาไม่มีสตินี่มีเวลาไหนบ้างเวลานอนหลับนี่ก็ <S S S okay. เที่ยวไม่ได้ไม่มีสติเวลาเมาก็เที่ยวไม่ได้เวลาเสียสติเป็นบ้างก็เที่ยวไม่ได้เวลาตายไม่มีสติแต่นี่ไม่ใช่สติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนี่เป็นมิจฉาสติ สติที่เราไปใช้เที่ยวไปใช้อะไรนี่เพราะมันเป็นสติที่ไม่ได้หยุดความคิดมันเป็นสติที่ใช้ความคิดจะไปเที่ยวตรงไหนดีจะไปดูอะไรดีเวลาดูก็คิดไปกับสิ่งที่ดีดูหนังก็คิดไปกับหนังที่เราดูอย่าง น, นี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสติเป็นนิจาสติสติที่เป็นสัมมาสติก็คือให้ดูโดยไม่คิด เช่นดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็ให้รู้ว่าเดินแค่นั้นเองไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนนั้นคอนนี้เสียงนั้นเสียงนี้หรื อ, เ ร, อเรื่องการเดินก็ให้คิดให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆนี่เรียกว่าสัมมาสติคือให้เฝ้าดูเฉยๆเวลานั่งดูลงก็ให้ดูเฉยๆลมข้าวดเข้าก็รู้ว่าข้าออกก็รู้ว่าออก สั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวอยากก็รู้ว่าอยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสติวิชชาสติก็คือ <c oughs> มีสติกับการไปเที่ยวหรือไปขโมยของคนจะขโมยของก็ต้องมีสติต้องคอยดูว่าเวลาไหนจะเป็นยังวะที่เหมาะ ก็ต้องใช้ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่สติทางทางีนสมาธิปัญญาสติทางศีนสมาธิปัญญานี้ต้องรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ถ้าไม่าไรู้กับร่างกายก็ให้รู้อยู่กับกรรมาฐานองไดองหนึง่งเช่นพุทธโธก็ให้พุทธโธพุทธโธไป ให้รู้ว่าตอนนี้ใมีแต่พุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวอย่างเยี้ถึงเรียกว่าสติถ้ามีสติอย่างนี้แล้วเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้รวมเป็นสมาธิเวลาเจตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่าเป็นอุเบกขานี่แหละเรียกว่าเป็นสัสมาธิเถ้ารวมเดียวเดียวก็เรียกว่าขัธิกะสมาธิ สมาธิแบบงูแลกลิ้นถ้าสงบแล้วก็นิ่งอยู่นานตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้านิ่งแล้วออกไปรับรู้เรื่องตาต่างๆทางทางโลกทิพย์เรื่องเรื่องกายทิพย์เรืเรื่องรูปทิพย์เสียงทิพย์ตงนี้ก็เรียกว่าอุปปจารสมาธิ ปจารสมาธิเป็นที่เกิดของปปิญยาต่างๆปปิญญาก็คืออิทธิฤทธิต่างๆเอ่ห์เหินเดินอากาศยำดินแปลงกายขยายการจากหนึ่งให้เป็นสามเป็นห้ารับรสชาติได้อันนี้อยู่ในอุปจาระสมาธิแต่ก็ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อ การเจริญปัญญาเพราะสมาธิแบบนี้จะไม่ให้อุเบกขาแก่ใจใจจะฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นต้องมีอุเบกขาต้องไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแย่อุปจารสมาธินี้ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่เวลาไปเห็นอะไรที่น่ากลัวก็กลัวเสนอเห็นอะไรที่น่ารักก็รัก เดีย๋ยไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกเวลาเที่ยวสวรรค์ก็รักยินดีเวลาไปเที่ยวนรกก็กลัว mm hmm. ไปเจอผีเจอเปรต mm hmm. ถ้าไปเจอเทวดา mm hmm. ก็ชอบ mm hmm. ยังมีรักมีชังอยู่แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีรักมีชังเหมือนเดิม mm hmm. เห็นอะไรสวยก็อยากได้เกิดกิเลสขึ้นมาแทนที่จะหยุดกิเลสกับไปเพิ่มกิเลสขึ้นมาอย่างพระเทวทัศน์นี่ก็มีอุปจารสมาธิมีอภิญญาเห็นพ่าพุทธเจ้าแก่ก็อยากเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะไม่อยากได้อะไรจยเฉย ออกมาแล้วเห็นอะไรก็เฉยๆใครรวยก็ไม่ของเขาใครใหญ่ก็ไม่ของเขาไม่ได้มีความอิจฉาไม่มีความอยากจะใหญ่อยากจะรวยเหมือนเขาเพราะมันสู้การไม่มีอะไรไม่ได้สู้ความสุขที่เกิดจากการเฉยไม่ได้พอมีอะไรมันแล้วมันจะต้องวุ่นวายใจขึ้นมามีแล้วก็ต้องกังวลต้องห่วงต้องหวง มเมเวลานมีแฟนนี่ห่วงหยห่วงไหมเราเสียใจยแลวเวลาแฟนจากไปมีอยู่เบคานี่สบายไม่ไม่มีเสียอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องทุกข์กับอะไรนี่แหละเกิสมาธิส่วนปัญญาก็คอยสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ ใจก็อยากไปรักไปชอบนะีเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแปลงนี้ไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวถ้าจากกันก็ทุกข์หรือถ้าได้มาแล้วเขาเปลี่ยนไปก็ทุกข์เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีเราอยู่กันไปแล้วเอ๊ะทำไมหายไปแล้วความดี <c ười> คอยเอาอกเอาใจทำไมอย่างนี้ไม่เอาอกเอาใจ เพราะมันเป็นอนิจจามันไม่เที่ยงเปลี่ยนได้จากการเอาอกเอาใจมันไม่เอาอกเอาใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้ของใ ห, ใหม่ซื้อมานี่ใช้ได้ดีแต่ใช้ไปสักพังหนึ่งเอาลรื่มเสียแล้วอันนั้นก็เสียอันนี้ก็เสียเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยง ให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าดีที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่มันไม่อยู่เป็นอย่างนั้นไปตลอดมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดนี่คือปัญญาให้สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสแล้วดูนี้มันไม่เที่ยมด้วยเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ เวลามันไม่ดีเราไปสั่งให้มันดีไม่ได้อนาตตาคือสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อั น, นิจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆของใหม่ซื่อมาสักพักเดี๋ยวก็กลายเป็นของเก่าไปของเก่าใช้ไปสักพักก็กลายเป็นของเสียไปหมดสภาพไป ใช้ไม่ได้ความสุขที่ได้จากของดีของใหม่ก็หมดไปเหลือแต่ความทุกข์นั้นการไปหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นการหาความทุกข์นี่คือข้อสรุป ข, ของปัญญาใ้เห็นว่าการหาลาบยศสารเสงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ่วไกเป็นการหาความทุกข์ เพราะว่าความสุขที่ได้มันเป็นความสุขต้องแล้วมันจะต้องเสื่อมหมดไปพอ ม, มันหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เหมือนน้ำตาลเคลือบอยาของเวลาอ์ใหม่ๆก็คิดว่าโอ้ยาหวานทงยาห ว, วานทั้งเมนะ็ดเลยเพรามันไม่ใช่เหมือนรับลูกกวาดลูกกวานีาน่อมนี่หวานไปทั้งเม็ดเลย ยาที่มันหวานแค่ผิวท่านแค่เปิดเพื่อเวลากินยามันจะได้เกลืนได้ถ้ามันไม่มีเลยพอเิ่นไปแต่ขมนี่มันก็อยากยาวนออกทิ้งละก็เลยต้องเคลือบยาน้ำตาลไิดหน่อยเวลากินยาจะได้กินได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ แต่งงานการรัเปนไหมเขกเนี่ยอาหมรนิ่งงูน้ำพึ่งพระจันแต่งไปทักพังหนึล้วกลายเป็นบอร์ิ่งนูเป็นพระจัน์เลือกเ<ม>ดี๋ยวก็ฆ่ากันเถอะทุบตีกันทะเลาะเบาแวงกันนี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นเราจึงต้องใช้ปัญญา คอยเตือนใจสอนใจว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับรานี่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่จีรังถาวรมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยใช้คิดถ้าเราคิดอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญาพอเราอยากได้เราเก็จะได้ใช้ปัญญาไม่เอาดีกว่าเอาทำไม เอาแล้วเดี๋ยวก็หมดอยากดื่มกาแฟพอดื่มปั๊เดี๋ยวก็หมดแล้วความสุขจากดื่มกาแฟก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากขึ้นใหม่นะแล้วถ้าไม่มีกาแฟให้ดื่มก็จะทุกข์อีกแล้นอยากไปดื่มมันไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันถ้ายังดื่มก็ยังต้องหากาแฟดื่มปเแน่ๆถ้วเกิดวันดืเกินดีเขาไม่ผลิตกาแฟมาขายแล้วทีนี้จะทํำยังไง น, นี่คือปัญญาจาจะใช้ปัญญาได้ต้องมีสัมมาส ม, มาธิเพราะว่าถ้าจิตไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีอุบเบกขาไม่มีส ม, มาธิต่อให้ปัญญาว่าว่าทุกอย่า ง, งาก็ยอมทุกเพราทุกคนมาทีหลังตอนนี้เอามันก่อนตอนนี้มี ก, กาแฟนื่มขอนื่มมันก่อนส่วนอนาคตมันจะมีไม่มีไว้ค่อยว่ากันอีกที เพราะถ้าตอนนี้ไม่ได้ดื่มมันจะตายมันจะทุกข์เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันเกิดความทุกข์แต่ถ้าคนที่มีสมาธินี้จะไม่ทุกข์เพราะจิตที่มีสมาธินี้จะมีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากอุเบกข า, าก็จะสามารถสู้กับความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ แต่คนที่ไม่มีสมาธินี่สู้ไม่ไหวพออยากปั๊บนี่ใจสั่นมือไม้สั่นไปหมดจะหายสั่นก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่อยากทำได้ดื่มในสิ่งที่อยากดื่มเรดื่มแล้วก็หายสัน่นแต่เดี๋ยวไม่นานก็สั่นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่แต่คนที่มีสมาธิจะไม่สัน่นจะทำให้ใจหยุดสั่นได้ ถ้ามีสติถ้าเกิดมันเริ่มสัน่นก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายสัน่นพอพุทโธพุทโธเราก็ลืมถึงสิ่งที่เราอยากได้พอเราลืมความอยากก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปใจก็หยุดสัน่นถ้าปฏิบัติจะเห็นได้ชัดเลยว่าใจสใจั่นเพราะความอยากใจกระเพื่อเพราะความอยากแต่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเห็น เพราะถ้าไม่มีสมาธิใจมันสั่นอยู่ตลอ ด, ดเวลาอยนะู่แล้วตอนนี้ใจพวกเราสั่นอยู่ตลอ ด, ดเวลาอยนะู่แลสั่นมากสั่นน้อยแค่นี้เดี๋ยวพออยากก็แปลงก็จะสั่นมากขึ้นเดี๋ยวนั่งอยู่นี้สักพักเดี๋ยวพออยากจะลุกก็สั่นนะ น, นั่งไม่ได้นะต้องลุกนะมันสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีสมาธินี้มันจะนิ่งจะเฉยเหมือนน้านิ่งพอน้ํากับเพื่อนนี่มันจะเห็นชัดเลย แต่เรานี nada, is, ่เวลาใจสั่นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยจะไม่รู้สึกแต่ความแตกต่างกันก็เราก็เลยไม่เห็นโทษของความอยากกันเรากลับเห็นคุณของการของการมีความอยากเพราะเมื่อมีความอยากแล้วเราก็จะได้มีความสุขจากสิ่งที่เราอยากได้อยากไปเที่ยวถ้าไม่อยากไปเที่ยวมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ไม่ได้ไปความมันก็ไม่ได้มีความสุขจากการไปเที่ยว แต่มันไม่คิดถึงตอนที่อยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวต่อไปมันจะไม่ได้ไปเที่ยวนยเนี่ยนะต่อไปมันแกนน่ต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยเตอนนั้นอยากจะไปก็ไปไมนะ่ไดมีเงินก็ไปนะไม่ได้หรือถ้ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บแต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ไดไ้อยากจะไปก็ไปเลยนะ้พอไม่ได้ไปตอนนะั้จะรู้ว่าใจสันะ่นอะไรอยู่บ้านก็เศร้าซ้อนหงอยเหอยอยงาว่าเวั นี่คือวิธีกำจัดตันหาความอยากกิเลสตันหาที่เป็นตัวสร้างคาทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถที่จะสู้กับกิเลสได้ฆ่ากิเลสได้ถ้าไม่มีสมาธิมีแต่ปัญญาตอนนี้พวกเรามีปัญญาเนี่ยฟังจนหูฉีกแล้วนะรู้หมดแล้วว่าความอยากเป็นทุกข์ ไม่ว่าทุกอย่างที่อย่างไม่เทีย่ยงไม่ใช่ของเราควบกลุ่มสั่งมันไม่ได้แต่พอมันอยากพิ่งไปตามมันสั่งให้หยิบกบาแฟก็ความามัฟเลยสั่งให้ไปเที่ยวออไปเลยนี่แะคือไม่มีสมาธิสู้มันไม่ได้พอมันสั่งแล้วลืมเลยปัญญยงปัญญาที่เรียนมาแทบเป็นแทบตายนี้หายไปหมดเลย มีแต่ปัญญาว่ากาแฟอยู่ที่ไหนไปเที่ยวที่ที่ไหนดีโรงแรมที่ไหนหน่าอยู่น่าพักร้านอาหารไหนหน่ากินหร<ม> <c oughs> ือโทรศัพท์รุ่นใหม่ซื้อที่ไหนสั่งได้เมื่อไหร่ปัญญาของกิเลสมันจะมาจาไม่ยังรุ่นใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเอาใจคนแฟนเจ้าฟี่เต็มที่เลยกล้องนิเศซ ยังไม่รู้เลยยังไม่ติดตามข่าวเลยแค่สาม0มืนกว่าเท่านั้นกล้องใหม่เครื่องใหม่ล่าสุดพันเหรียญไอ n ฟนไ h o n น ไอโฟนสิบก็เล็กไอโฟนสิบเยวมาชมอกันแล้วเี๋ยวไม่กี่วันก็เห็นนะเนาว่ากล้องนี่แต่งหน้าให้ตาปากให้ด้วยแต่งได้เป็นยังไงก็ได้กล้องหลอกตัวเองเข้าไนะถ่ายแล้วสวยหลอกตัวเองไปวัน ถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรออกมาใหม่เห็นในโฆษณานอ๋ออยากได้ขึ้นมานะลืมเลยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนิจจาของนี้ถ้าไม่คิดบ่อยๆแล้วไม่ตัดบ่อยๆมันมันจะลืมมันมันจะไปทําตามนิสัยเดิมนิสัยเดิมก็คือมันจะไปทําตามความอยากทันทีนี้นะนะ งั้นต่อให้เรียนจบพระตไตรปิฎกมากี่ขั้นก็ตามนีงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปปฏิบัติเนี่ยเรียนพระไตรปดฎกนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนของเราที่มีอยู่ในพระตไตรปิฎกที่มีอยู่ต้องแปดหมื่สี่แปดหืนสี่พันธรรมบทเนี่ยมันมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหะ เรือของความทุกข์เรื่องของการดับทุกข์นี้วิธีของการดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้ทนะ่านไม่อ้องไปเรียนให้เหนื่อยคนระับก็ม่ต ไ, ไปทําวิทยานิพนธะ์พระพุทธเจ้าสรุปวิทยานิพนธ์ให้แล้วว่าพระพุทธศาสนานี้สอนเรื่องเดียวสอนเรื่งวิธีกําจัดทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่านะคำสอนของเรามากมายกายกองเหมือนกับน้ำในมหาสมุทร น้ำในหมหาสมุทรนี่มีมากมายแต่มีรสอันเดียวกันหมดคือรสของความเค็มเท่านั้นเองแต่ไปตากน้ำทะเลที่ไหนมันก็มีรสอันเดียวเค็มนะพระไตรปิดกนี่ไปอ่านบทไหนมันก็บทวิธีกํรจัดความทุกข์วิธีข่ากิเลสทั้งนั้นฉะน้มันต้องไปเรียนให้มันมากให้รู้แค่สามตัวนี้ก็พอให้รู้ศีลสมาธิปัญญา ศีลก็มีหลายระดับระดับต้นระดับอนุบาลระดับปถมก็คือศีลห้าระดับกลางก็ศีลแปดระดับสูงก็ศีลสองรอยี่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่าถ้าอยากจะเป็นพิกษกุนีก็รักษาศีลสามอกว่าก็เป็นพิกษุนีแล้วไม่ต้องไปให้ใครก็มาบวชให้เข้ามารับรองเราการมีการเป็นพระเป็นพิกษุนีอยู่ที่การรับรองของคนอื่น อยู่ที่การรักษาศีลที่าเราไม่ใช่ไปบวชน้าไม่ไปรักษาศีล ก, ก็จับเสกอยู่ดีอย่างนี้นะถ้าอยากเป็นภิกษณุณีไม่ต้องไปเรียกร้องอยไม่ต้องไปขอเรียกร้องสิทธิ์ที่มายุทธเสยะอชลมนันเลยเนี่ยรักษาศีลสามร้อกว่าข้อของภิกษณุณีก็เป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วไม่ต้องโกนหัวก็ได้ไม่ต้องนุ่งผ้าสีเหลืองสีกับก็ได้นุ่งไปแล้วถ้ามันไม่มี ศีลมันก็เหมือนเอาลินมานุ่งผ้าเหลืองมาใช่ไหมจะ <c oughs> จับลิงนุ่งผ้าเหลืองมันมเป็นพระป่ะ <c oughs> มันก็ยังเป็นลงอยู่นั่นเอาคนที่ไม่มีศีลมานมานุ่งห่มนุ่งหัวงห่มแล้วมันก็ยังไม่เป็นพระใช่ไหมเขาจับศึกอยู่เลยพวก <c oughs> ที่ไปแอบเช่าห้องแถวอยู่แล้วก็ไปโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองตอนเช้าอุ้มบาตเราไปบินตบาทพอ <c oughs> <c oughs> ตอนสายก็กลับบ้านก็ไปนั่งเล่นไพ่นั่งกินเหล้า ก, นนะกาันเนี่ยตำรวจก็จับตามจับกันเนี่ยเี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองมันไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวมันไม่ได้อยู่ที่พการไปบวชนีอันนี้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเองเป็นการเหมือนกับแสดงให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่านี่เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้จะเป็นนักบวชจริงก็ไม่บวชจริงมันไม่ได้อยู่ที่สั ญ, ญลักษณ์มันอยู่ที่เนื้อของนักบวช อย่ที่ว่ามีศีลแล้วไม่มีศีลถ้ามีศีลห้าแล้วก็เรียกว่านักบุญถ้ามีศีลแปดแล้วก็เรียกว่านักบวชถ้ามีศีลสองอยี่บเจ็ดแล้วก็เรียกว่าพระภิกษุถ้ามีศีลสามร้อยสิบกว่าข้อนี้ก็เรียกว่าภิกษุณีงนั้นเ น, นี่ยดังบรรดาญาติโยมผู้หญิงที่อยากเป็นภิกษุณีนี่เป็นได้เลยวันนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องไปเดินกระบวนที่ไหนหรอก ไปเปิดพระไตรปิฎกดูในวินัยปิฎกเรียนปปอเอกนี่ก็สามไตรปิฎกป่พระไตรปิฎกนี้มีสามปิฎกรู้ป่า <c oughs> <c oughs> มีอะรต้องสามปิฎกเสามปิฎกก็สามเกลี้ยสามกลุ่มคำสอนของพระอาจาร์นี่มันบจุไว้สามสามตกกากปิฎกแปลว่าตะ ก, กา้า แบ่งเป็นสามสามสาผนกแนกหนึ่งเรียกว่าสุตตะสุตันตะสุตตะก็คือการสแสดงธรรมของพระเจ้าตามสถานที่ต่างๆนี่เรื่องของพ่อสูตรเรียกสุตันตะปิดกแล้วก็พระวินัยก็เกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนพระภิกษุกับภิกษุณีอยู่ในวินัยปิดกแล้วพระ อ, อภิธรรมปีดกก็คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านปัญญาต่างๆมารวบรวมไว้ในในพระในพระอภิธรรมเป็นปัญญาเราเรียวกว่อาอภิธรรมเพราะเป็นธรรมขั้นสูงเกี่ยวกับปัญญาอย่างเดียวเกี่ยวกับใจรักเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับอริยสัจสี่จะบรรจุอยู่ในพระอภิธรรมปิดกเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่า การเป็นภิกษุณีเป็นอย่างไรก็ไปเปิดดูได้ในวินัยปีดกจะมีมีวินัยของภิกษุัะวินัยของภิกษณุณีแล้วจะมีข้อมีมี ม, ม, มีที่มาที่ไปให้เรารู้ด้วยว่าข้อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรข้อที่หนึ่งทำไมถึงต้องต้องมีกฎข้อนี้ขึ้นมาจะมีเหตุการ์เล่าให้ฟังสาเห ต, ตุต่างๆเช่นข้อที่หนึ่งของพระเนี่ย ข้อห้าไม่เสดเมตุนิในยุคแรกๆเนี่ยตอนที่มีการบวชนี่ยผู้ที่บวชนี่ส่วนใหญ่เป็นพระอาหารหันต์หลังจากที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเสร็จก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอพระพุทธเจ้าบวชนีะบวชแล้วท่านก็อยู่ท่านก็ไม่ต้องมีสีมีอะไรเพราะท่านท่านเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีกิเลสแล้วทำอะไรก็ไม่มีอะไรเสียหายต่อมาหลังจากที่ พระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมเผยแผ่ให้กับคนมากขึ้นมากขึ้นก็มีคนที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็มาขอบวชกันมีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีนะ่พ่อแม่มีลูกชายคนเดียวมาบวชพ่อแม่ก็ห่วงว่าวต่อไปเดี๋ยวมรดกทรัพย์สมบัติของพ่อแม่จะให้ใครดีชายคนนี้ก่อนมาบวชก็มีภรรยาก็เลยขอร้องให ชายคนนี้ที่มาบวชเป็นพระไปนอนกับภรรยาเพื่อจะได้ทําหลานให้กับตากับยายปู่กับปู่กับย่าเพื่อจะไดะ้มีคนมารับมรดกพระรูปนี้ท่านก็ไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นพระนี้นอนกับแฟนได้หรือเปล่าท่านก็เลยไปนอนด้วยเพราะท่านก็คิดว่าท่านไม่ได้นอนด้วยความอยากนอนท่านนอนเพราะต้องทําหน้าที่ ผลิตหล้านให้กับปู่กับย่าเพื่อจะได้รับมรดกนะแต่พอไปนอนกับแฟนแะล้วใจไม่สบายใจเศร้าหมองก็เลย ไ, ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตอนทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกเพราะตอนนั้นไม่มีกฎห้ามไม่มีไม่มีภาพวินัยห้ามไม่ให้ภาพนอนร่วมหลับนอนกับศีกาเพราะพระส่วนใหญ่เขาเป็นพระอรหันต์กันเขาเขารู้ว่านอนไม่ได้ แต่พระรูป น, นี้ยังไม่ได้เป็นพระหันไม่รู้พอพ่อแม่มาปรับทุกข์ก็เลยสงสารพ่อแม่แล้วเลยไปทําตามที่พ่อแม่ขอร้องไปผลิตหลานให้แต่พอไปทําแล้วก็ตายก็เศร้าหมองพอมาเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าก็บอกทําไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นการทําให้จิตใจเศร้าหมองจะไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้ายังไปติดอยู่กับ าการเสพการอยู่ mm hmm. ก็เลยตั้งข้อห้ามขึ้นมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่มาบวชนี้ห้ามเสพการห้ามเสพเมนทุนถ้าเสพเมนทุนก็ให้ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีดัง mm hmm. นั้นถ้าไปศึกษาในวินัยปิฎกนี่จะมีที่มาที่ไปของศิ่งต่างๆสิ่งสองร้อยยี่สิเจ็ดข้อนี้จะมีพระลูปใดลูปหนึ่งไปทำอะไรไม่ดีไม่ชอบ ชาวบ้านเห็นข้าวแล้วก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนสารเรียกจําเลยมาไตาส่สวนตอบถามว่าทาจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงก็ต่อไปนี้อยากทำนะในฐานะที่เป็นคนทำคนแรกไม่รู้ว่ามีข้อห้ามไม่ควรทำก็ไม่ถือโทษแคนที่จะมาทำต่อไปทำไม่ได้แล้วท่านก็แบ่งเป็นโทษหนักโทษเบา โทษบางอย่างก็ถากเป็นพระไปเลยโทษบางอย่างก็เป็นแต่ไปปองอาบาไนสารภาพบาปแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำใหม่อีก ก, ก็ถือว่ายังอยู่ต่อไปได้เป็นพระต่อไปได้แต่ถ้าไปทำบาปซ้าๆก็อาจจะขอล้องให้สึกไปแสดงว่าไม่ไม่สำเร็ไม่เรียนรู้ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นพระได้นี่คือเรื่องของ าการศึกษ า, าทางพระพุทธศาสนานมีศึกษาสองรูปแบบศึกษาแบบทางโลกก็คือศึกษาทาตาําราแล้วก็ได้รับปริญญาแล้วก็ถือว่าได้ไ ด, ได้สำเร็จแนละ้วได้บรรลุแลนะ้วไปเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปได้แล้วเนี่ยครูอาจารย์ที่ญาติโยมไปเรียนปอเองด้วยนี่ก็รับรองได้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วจบ จบปอเอกจบปอเก้ามาแล้วก็มาสอนแต่ไม่ได้สอนวิธีปฏิบัติไม่ได้สอนวิธีฆ่ากิเลสเพียงแต่เรียนรู้วิธีฆ่ากิเลสแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติไม่ได้ไปฆ่ากิเลสการมาตัญหาภาวะตัหาวิภาวะตัญห า, ญหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี้ยังมีอยู่เต็มในหัวใจมันไม่ได้ตายด้วยการเรียนการศึกษา มันจะตายก็ต่อเมื่อเราเอามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่แหละเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเครื่องมือผลิตพระอรหันต์เครื่องมือยุติการเวียนว่าตายเกิดอยู่ที่ศีลการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่ที่การเรียนศีลสมาธิปัญญาเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเหมือนเปนเรียนวิธีทากับข้าว เรียนเสร็จแล้วไม่ไปเข้าครัวกับข้าวมันไม่โผล่ขึ้นมาจากวิชาที่เราเรียนทํากับข้าวอยากจะได้กับข้าวต้องเข้าครัวต้องไปซื้อผักซื้ออะไรต่างๆมาแล้วก็ทาตามเมนูทาตามวิธีที่เ็าสอนให้ทาอยากจะทำาย่้นี่ทาอย่างงั้นทำอย่างนี้นอนพอทาแล้วเดี๋ยวก็ได้อาหารจานเด็ดโผล่ขึ้นมาอยู่ที่การปฏิบัติ ปฏิเวทถึงจะเกิดปฏิเวทก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสคืออะไรก็โสดาปฏิมรรคโสดาโสดาปฏิผลนี่ก็เป็นคู่หนึ่งมรรคผลคู่ที่หนึ่งสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลก็เป็นมรรคผลคู่ที่สองเป็นเหมือนระดับปริญญาตรีโทเอกโสดาบันก็ท่านปริญญาตรี สตดาคาณีก็ท่านปริญญาโทอนาคาณีก็ท่านเป็นริญญาเอกเนี่ยอรหันก็ท่านปริญาราารารญาเอกคูณสองเป็นขั้นสูงสุดเต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนศีลสมาธิปัญญาการเรียนนี้ไม่สามารถทําให้กิเลสตัณหาที่มีในใจนี้ตายไปหมดไปได้ต้องปฏิบัติ สีนสมาธิปัญญานั้งนั้นถึงจะทาให้กิเลสตัณหาหมดไปได้นะพอหมดแล้วเวลาเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติไปสั่งสอนนี่จะไม่เหมือนกับความรู้ที่เราได้จากการเรียนเวลาไปสอนคนนี่เราจะสอนวิธีฆ่ากิเลสได้อย่างชัดเจนเพราะเรารู้จักวิธีเราได้ฆ่ามันมาแล้ว แต่ถ้าเรายัางไม่ได้ฆ่านี้เราจะไม่รู้วิธีที่ฆ่าม่นว่าฆ่าอย่างไรจึงจะเป็นการฆ่าเราจะไม่รู้ความสำคัญของสมาธิว่าสำคัญอย่างไรทำไมจึงต้องมีสมาธิก่อนจะก่อนที่จะมีปัญญาได้ทำไมนี้เขามาัากจะข้ามขั้นสมาธิกันรักษ า, นานสีนจรรศติแล้วก็ไปปัญญาได้เลย ตามดูจิตค่ะดูจิตได้เลยกาดูจิตก็ยังไม่รู้ว่าดูอะไรดูทำไมดูจิตก็ดูว่ามันทุกข์แล้วไม่ทุกข์นะถึงเรือนี้ก็ดูจิตถ้ามันทุกข์แล้วต้องหยุดมันดับความทุกข์นั้นได้หรือเปล่าถ้ามันยังดับความทุกข์ไม่ได้ดูไปก็ป่วยการเปล่าดูไปก็เสียเวลาเปล่าดูแล้วมันต้องดับความทุกข์ได้ เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องดับมาได้แต่ถ้าดับไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ก็คือเรื่องของการเรียนทางโลกกับเรียนทางธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาเดียวกันวิชาสินสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่ถ้าไม่เอามาปฏิบัติมันก็ยังไม่เป็นปฏิเวศขึ้นมาได้ อาจจะเป็นปริญญาบัตรได้เรียนจบเขาก็สอบที่เขาสอบก็ไม่ได้สอบความสามารถเขาสอบความจำว่าจำได้หรือเปล่าว่าวิธีฆ่ากิเลสมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้ทดสอบความสามารถว่าฆ่ากิเล น, ไ ด, น ไ, ดได้หรือยังไปบวชได้หรือยังแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าฆ่ากิเลนได้รป่าถ้ายังบวชไม่ได้ก็ยังฆ่าไม่ได้ได้ไหมจบปอเอแล้วไปบวชได้หรือเปล่า ยังบวชไม่ได้ก็ยังสนดงว่ายังท่ากิเลดไม่ได้นเนี่ยพระอรหันทรูปนี่พอเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ขอบวชทั้งนั้นนะไปอ่านในประวัติดูเลยเนะียพวกที่ฝั่งเทศฝั่งธรรมพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขออนุ ญ, ญาตพระ เ, เจ้าขอบวชเป็นพระขอบวชเป็นพระกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้จะอยู่เป็นโยมทำอะไรแล้วเพราะสิ่งที่สิ่งที่พระอรหันต์ได้นี้การอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันที่จะมีให้ได้ แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่กับคนทางโลกเพราะมันใบคนละทางนะคนทางโลกเขายัางไปหาความสุขจากความอยากอยู่แต่พระอาหนต์หาความสุขจากความไม่อยากกันก็ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้พระอหาหันต์นี่พอบวชถ้ายังไม่เป็นพระพอบวชแล้วก็ขอบวชพอเป็นพระอหาหันต์แล้วก็จะขอบวชกัน ก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรกับความรู้การเรียนทางโลกก็สนับสนุนยินดีชื่นชมยินดีกับการเรียนดีกว่าไม่เรียนพูดง่าย ร, ระหว่างเรียนกับไม่เรียนเรียนดีกว่าแน่นอนเป็นแต่ว่าระหว่างปฏิบัติกับไม่ปฏิบัตินี่ปฏิบัติมันต้องดีกว่าถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็เรียนแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับไม่เรียนเท่ากัน เรียนหรือไม่เรียนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดผลเท่ากันแต่ถ้าเรียนแล้วปฏิบัตินี้มันจะได้ผลแต่ถ้าไม่เรียนแล้วไปปฏิบัตินี้อาจจะไม่ได้ผลเพราะอาจจะหลงทางเพราะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต้องเรียนก่อนเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็บรรลุมรผลที่พาน บรรลุเสร็จแล้วก็ไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปนี่คือตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาตอ น, นต้นพระพุทธเจ้าไม่สอนใครเลยช่วงหกปีแรกนี่ไปเรียนกับไปปฏิบัติพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแนละ้วทีนี้ก็สั่งสอนผู้อื่นต่อไปสั่งสอนอยู่อีกสี่สิบห้าปีด้วยกันภา ร, รกิจของพระพุทธเจ้านี่มีแต่สั่งสอน ตอนบ่ายสั่งสอนญาติโยมตอนค่ำสั่งสอนภิกษุสา ม, มนเณรภิกษุณีตอนดึกสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกบิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสาวไครเป็นกรณีพิเศษนี่เรียกพุทธกิจหอีกข้อหนึ่งก็บิณฑบาตโปรดสักนี่เป็นกิจภารกิจประจําวันของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้ได้บรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิเวทแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีแต่ศึกษากับปฏิบัติไปอย่างเดียวหกปีด้วยกันศึกษาไปปฏิบัติไปควบคู่กันไปความจริงการศึกษากับการปฏิบัตินี้ไม่ไ ม, ไมไ่ไม่ต้องแยกกันวันนี้เรียนรู้ว่าศีลมีอะไรก็เอาไปปฏิบัติได้แล้วรู้ว่าวิธีนั่งสมาธินั่งยังไงก็เอาไปปฏิบัติได้ ว, วิธีจเจริญปัญญาเจริญงไงก็เอาไปปฏิบัติได้ ไม่ใช่มารอเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัตินี่ไม่ใช่อย่างทางโลกที่เขาเรียนกันต้องจบนักธรรมตีก่อนแล้วก็เรียนนักธรรมโทจบนักธรรมโทแล้วก็นักธรรมเอกแล้วก็ไปต่อป ร, ริญญาจนถึงจบป ร, ริญญาเก้าแล้วค่อยไปปฏิบัติแต่พอจบป ร, ริญญาเก้าก็คิดว่าสำเร็จแล้วก็เลยไม่ออกปฏิบัติกันแล้วก็ไปสั่งสอนเค่สั่งสอนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าสอนอะไรวิธีที่จะทาให้คนคิดว่าคนสอนนู้นเรื่องกับพูดภาษาที่คนฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาบาลี <c oughs> พอเก่าคำบาลียาติโยที่บอกว่ออนานี่ภาพนี้เก่งไม่รู้เรื่องแต่ที่ไหนได้ไม่รู้ทั้งคู่ <c oughs> บาลีเต็มไปหมดเลยคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่อง การสอนสอนคนต้องการสอนคนเขาเขารู้เข้าใจก็ต้องพูดภาษาของคนฟังสิไม่พูดภาษาของคนพูดเนี่ยคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่างคนหลังมามามาหาเราเนี่ยเราพูดภาษาไทยใหมย้มันฟังมันจะฟังรู้เรื่องกว่าก็เราพูดภาษาเขาเลยเราถึงจะรู้เรื่องงนั้นเขาจะไม่มาหาหรอกนี่ก็มาเพราะเราพูดภาษาเขาได้ที่ยาติโยม่ฟังพธธระเทพภาษาพระนี้บละหนเดี๋ยวก็ไม่ไปแล้วใช่ไหม ว่ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วจะไปเปิดดิจิทัลลี่ทีนี้ว <c oughs> ะฟัการเรียนทางพระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธกาลนี่ท่านเรียนกับปฏิบัติควบคู่กันไปพร้อมๆกันพระป่าท่านก็นเรียนแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปตอนข้ามครูบาอาจารย์ก็เรียกมาอบรมสั่งสอนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กลับไปเดินจนกงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติไป อีกสองาวันสี่ห้าวันก็เรียกมาสั่งสอนอย่างนี้แล้วระหว่างวันถ้าเห็นทําอะไรผิดก็บอกทันทีทําอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะสอน ท, ทันทีห้าม ท, าทันทีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ใช่มยายกกันแบบสมัยนี้สมัยนี้ปริญัดก่อนเรียนให้มันจบป ร, ริญญาเก้าก่อนพอจบป ร, ริญญาเก้าแล้วมันก็ไม่มีกําลังอยากจะไปปฏิบัตินะ มันอยู่สุขสบายมาตัง้งเก้าปีจะให้ไปอยู่ทุดงเขาวัดมันไม่เอาเลยไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ไปสอนหนังสือดีกว่าถ้าไม่สอนหนังสือก็ทําพิธีกรรมดีกว่าบุญบางสังส่วนสบายกว่า น, นี่ก็เคยเรื่องการศึกษาทาง ของพระพุทธศาสนาเราสมัยนี้มันมีสองแนวทางแนวทางโลกก so ับแนวทางธรรมแนวทางโลกก็แยกแยกศึกษาแยกปฏิบัติศึกษาก่อนศึกษาจบแล้วจะไปปฏิบัติก็ไปไม่ไปปฏิบัติก็ไม่ว่าอะไรไม่ไปปฏิบัติจะไปสอนต่อเน้ก็ไปสอนเลยโทนยากรก็ไปสอนต่อหรือไม่งั้ก็ไปทําพิธีกรรมอย่างอื่นต่อไปสร้างวัดไปสร้างอะไรกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันไป แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติกันชัวร์อีกแนวทางหนึ่งก็แนวทางธรรมคือเรียนกับปฏิบัติควบคู่กันไปอันนี้แนวทางของภาคป่าภาคป่านี้จะอยู่กับครูบาอาจารย์จะเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ต้องใช้ตาําราดังเสียงธรรมที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมแล้วก็นําออกไปปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปกราบถาง ถ้าท่านเห็นว่าเราทำผิดท่านก็จะเตือนจะบอกเรานั่นนี่แหละคือวิธีที่หลวงปู่มั่นนำพาลูกศสียนลูกหาของท่านปฏิบัติกันลูกศสียนลูกหาของท่านจรงกลายเป็นท้าหลานกันเป็นจนํานวนมากครับก็ตายไปกระดูกกลายเป็นพระาธาตุกันแต่ทางโลกนี้ตายไปไม่มีกระดูกเป็นพระาธาตุทั้งสักองค์เป็นสังกโลกสังกลาส น, นี้ก็ไม่มีเป็นพระาธาตุกันสักองค์ ป .9 ทั้งนั้นสังลา้าเนี่ยยังไงเราไปดูกระดูกมีพระธาตุเนอ่ย น, นี่ก็คือไม่ได้ว่าใครเพียงแต่พูดเปรียบเทียบให้เห็นแนวทางสองแนวทางที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้การเรียนการปฏิบัติทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันผลก็ต่างกันนั้นก็มีเรียนแบบความยูดเยื้หัวเอาตัวไม่รอด เดินกับความรู้ที่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องท่วงหัวความรู้แค่สามข้อเท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาแต่สำคัญอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้รู้ศีลรู้สมาธิรู้ปัญญาถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ก็ไม่มีวันที่จะเอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้จะรอดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีศีลต้องปฏิบัติศีลได้ศีลกี่ข้อก็รักษาได้หมด หลวงปู่หลวงตาท่านบอกท่านรักษาข้อเดียวศีลของท่านข้อเดียวก็คือใจเพราะใจเป็นผู้ทําผิดศีลต่างๆถ้ารักษาใจให้สงบได้เป็นสมาธิได้ถ้าหยุดความอยากได้ศีลกี่แสนข้อก็ไม่มีปัญหาเลยรักษาได้หรักษาที่ใจแต่ก่อนที่จะมารักษาที่ใจได้ก็ต้องรักษาที่กายวาจาก่อนหลวงปู่หลวงตาทุกรื่องก็ต้องเริ่มจากการรักษาศีลหรักษาศีลแปดกันมาก่อนครับ แล้วค่อยมารักษาสีนสองรยี่บเจ็ดกันแล้วก็มาฝึกสมาธิมารักษาสีนข้อสุดท้ายข้อเดียวคือข้อใจพอรักษารักษาใจได้แล้วทีนี้ก็จะมีสีนอีกกี่แสนข้อก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะจะไม่มีวันที่จะละเมิดเพราะจิตที่สงบละเป็นจิตที่ไม่ไม่กระทําอะไรต่างๆให้เสียหายก็ดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของการเรียนทางโลก การปฏิบัติทางโลกกับการเรียนการปฏิบัติทางธรรมให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัง เอวเมวะอิโตทิมยังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมามิปะเมวะสมิ a จาตสัพเเอุเรนตุสังกะปาจันโทปนากระบะโสยถามณีโชติกระบะโสยถาสัพหิติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโวินัสสตุ มาเตผวัจรตรายุสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาทนสีลิธสานิจจมุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาละบนเขานี่เดินได้ไหม เป็นที่พรกของพระไม่หรองให้ไปเลยเราลดเงินเพราะกำลังปฏิบัติท่านอยู่ไปเดินได้แถวเลยแม่นี้ท่านเองเสียงเขาที่เขาเขียวใส่ข้อาอกแล้วพระท่านบอกว่าพระบาทท่านจะไม่ใช่รงเท้าสตะที่แบบสูงๆต้องรองเท้าที่พื้นที่ใช่พระเมรในไม่ ถ้าไม่สายทที่ไม่มีคีบอก็รง้ใช่ใ่คราวหลังจะถทรวันองเรา่ะแต่คราวนี้ก็ยางซื้ออย่างคีบมาไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าได้ท่านระใช้ใช่ไม่ได้ท่านก็เอาไปทาท่านคืนมาอ้ท่นโทรสวายท่านเสร็จแล้วท่านบอกว่ารงเวลานรถท่านคืนมาก็เลยไม่เคยได้ยินก็เลยไม่แน่ใจแต่คงใช่ใช่หะจุ้ไม่ได้ใช่ไหมคะคีบของเราก็คีบอ่ะ มีอะไรอยากจะถามไหมที่พูดมานี่ขับตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนมสการที่พระอาจารย์บอกว่าเรยียนทั้ทงโลกและจบปริญญาเอกแล้วนำไปถ้าสมมติว่าเรานำไปสอนเป็นวิทยาฐานให้กับผู้ที่เขารู้น้อยกว่าเราหรือรู้มากกว่าเราก็ดี แต่ัในจิตของเราเหมือนกับว่าเราไปบรรยายให้เขาฟังเป็นเหมือนกับเป็นวิทยาทานผู้อาจารย์มองว่ามันเป็นทางโลกมันไม่ดีมันดับทุกข์ไม่ได้จะต้องแทรกก็หมายความ่าที่เราพูดนี้คือความนี้ทางโลกทั้งหมดนี่มันมันดับทุกข์ได้ชั่วคราวคือดับทางร่างกายคือวิชาความรู้นี่เอาไปทํามาหากินเลี้ปากเลี้ยงทองได้ แต่ดับความทุกข์ในใจไม่ได้เราจะต้องเพิ่มเติมอย่างไรอะไรอย่างนี้ก็ต้องเรียนทางาศาสน า, สนาต้องเรียนวิชาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้ก่อนให้เรารู้ว่ามันดับทุกข์ได้จริงหรือไม่เราต้องพิสูจน์ก่อนเหมือนเป็นยาตอนที่เราเจกยาไปแจกให้คนอื่นเขาเก่งเราต้องกินเองก่อนกินยาที่แล้วเป็นมะเร็งหายเลยอย่างนี้ พอเรารู้ว่าหายแน่นอนเราก็สามารถที่จะเอาไปแจกให้กลุ่มเองกินยานี้นะกินแล้วมะเร็งหายจากนั่งกายได้นั่นหมายความว่าการบรรยายธรรมะที่เราพอมีความรู้อยู่บ้างให้กับผู้อื่นที่รู้ยังเป็นความรู้ไม่จริงไม่แน่นอนบางทีโยงก็ไม่แน่ใจสอนไปก็ไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรความสัมพันธ์ของธรรมะต่างๆที่เราสอนนี้ ถ้าเกิดเขามีคำถาสงสัยถามมาเราก็จะตอบไม่ได้ก็ย <mum> <sweat. S 1> mm ังเป็นความรู้ที่เหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเวลาไปเห็นของจีนกับเวลาได้ยินจากปากที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาเราไม่เคยไปเที่ยวที่เมืองนี้คนก็มาเล่าว่าเมืองนี้มีอย่างนู้นมีอย่างนี้เราก็นั่งคิดไปเองแต่พอเราไปถึงเมืองนั้นแล้วมันสิ่งที่เราคิดอาจจะเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่เราเห็น แต่ถ้าเรารดับทุกข์ได้ตัวเราเองแล้วเราก็าสามารถที่จะสอนได้ถ้าเราดับทุกข์ข้อไหนได้เราสอนอะไรก็จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าวทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้นะจะไม่ทุกข์เช่นยามีแฟนเนี่ยถ้าไม่มีแฟนนะจะไม่ทุกข์กับแฟนเนี่ยไม่มีแฟนมีความสุขมากกว่ามีแฟนเนี่ย แต่ถ้าเรายังไม่เห็นแล้วก็ไปสอนก็ไม่ได้ว <Yeah. S 1> ันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสูงสุด493ค่ะ uh huh. ทาง YouTube 121ค่ะ uh huh. 500กว่า600รวมกัน600 uh huh. แล้วมีคำถาม uh huh. อะไรมั้ย ไม่มีต่างชาติเลยครับค<ะ>ําถามจากคุณจามอนค่ะตอนนี้โยมป่วยนักหมอบอกว่ายาอาจจะรักษาไม่ได้แล้วตอนนี้ในหัวคิดไปต่างๆนานาทําให้นอนไม่หลับอาการก็แย่ลงพอจะมีวิธีไหนให้ใจสงบไม่คิดฟุ้งซ่านบ้างไหยครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ต้องหยุดความคิดต่างๆด้วยการ บริการพุโทโธพุธโทโธไปแต่ถ้าพุโทโธไม่ไหวก็ให้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดแล้วเราก็จะได้ลืมเรื่องเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยพอเราลืมแล้วใจเราก็จะไม่วิตกกังวลความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปชั่วคราวพอเราหยุดสวดเมื่อไหร่พอเรากลับไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่า ร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนตอนนี้ร่างกายเรามันเข้าสู่ขั้นเจ็บแล้วมันต่อไปมันก็จะต้องตายแล้วถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทรมานที่เราทรมารเพราะเรายังไม่ยอมยับยังไม่ยอมเจ็บยังไม่ยอมตายเจ็บก็อยากจะให้มันหายไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทําให้เราทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถ้าเรายอมรับว่าร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายอาจจะไม่ใช่ตอนนี้หรืออาจจะใช่ตอนนี้ก็ชั่งมันขอให้เรายอมรับมันแล้วกันแล้วก็อยู่คนงเราไปตามปกติไม่ต้องไปกังวลกับมันมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมียาก็กินไปมีหมอก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าตายก็ให้มันตายไปถ้าคิดแบบนี้ได้จก็จะไม่ทมา คำถามจากคุณกันตพลค่ะเพราะเหตุใดปัจจุบันพระภิกษุต้องมีสมณศาักดต่างๆกันด้วยครับไม่ต้องมีหรอกมันเป็นของที่ญาติโยมให้มาเหมือนสบายที่ญาติโยมก็มีอะไรก็อยากจะให้พระสบายญาติโยมสบายก็อยากจะให้พระสบายด้วยเพราะญาติโยมไม่รู้ว่าความสบายของพระนี้เป็นอะไรความสบายของพระก็ต้องแบบพระพุทธเจ้พาพระสาวกคือสบาย ทางใจเกิดสบายด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ญาติโยมไม่รู้ญาติโยมก็คิดว่าออถ้าพระได้เป็นได้มียศมีตําแหน่งแล้วพระจะสบายมีความสุขก็เลยมอบยศมอบตําแหน่งให้เป็นการถวายเหมือนกับเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระที่อุตส่าห์เสียสละมามาสั่งมาสอนมาทำมาทำหน้าที่ของพระพระเจ้าแผ่นดินก็เลย อยากจะให้พระได้รางวัลเป็นรางวัลของพระไปถ้าพระรับโดยที่ไม่ไดมีกิเลสก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครเขาให้มาก็รับไปแต่ถ้ารับด้วยการมีกิเลสมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เสียหายกับพระนั้นพอพระรูปหนึ่งได้พระที่มีกิเลสที่ยังไม่ได้ก็อยากจะได้ขึ้นมาก็เลยต้องมีการ วิ่งเต้นกันมีการทำอะไรกันเพื่อให้ตนเองได้มันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นไปแทนที่จะาหาศีลสมาธิปัญญากันก็เลยมาหายศกันหาตำแหน่งกันเพราะใจยังมีกิเลสอยู่ใจยังหลงอยู่ยังคิดว่ามีตำแหน่งแล้วจะมีความสุขมีหน้ามีตามีคนแควลบนับถืออะไรต่างๆ ก็เลยทำให้มียศดกันมาตลอดสมัยพระพุทธการนี้ไม่มียอดคำ ถ, ถามจะคุณขวัญเดือนค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มขายของสกินแคร์บำรุงผิวพันธ์พวกสบู่เซรัม่มน้ำแร่อย่างนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มกิเลสให้ผู้ซื้อไหมคะ ถ, ถ้าใช้สำหรับรักษาร่างกายก็ไม่เป็นกิเลส ถ้าร่างกายเรามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาให้มัน อ, อยู่อย่างปกติสุขเนี่ยแต่ถ้ารักษาเพื่อให้มันสวยให้มันงามนี่ก็เป็นกิเลสคำถามจากคุณอา ร, รยาค่ะผลไม้ที่ซื้อมาเพื่อที่จะใส่บาตรแต่เราไม่รู้แล้ยิบมากินจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้ายังไม่ได้ไปใส่บาตรถ้าใส่บาตรแล้วหยิบมากินกนี่จะบาปเราไปขโมยของพระถ้ายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยอยู่ที่ ที่โต๊ที่เราจะใส่บาตรอยู่แล้วเราไปหยิบมากินนี่ยังเป็นของเราอยู่แต่พอเราไปใส่บาตรแล้วนี่มันเป็นของพระแล้วถ้าใส่บาตรแล้วไปหยิกบกรรมมากินนี่มันบาปนะถ้าอยาหยิบก็ต้องขออนุญาตพระก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาในการปฏิบัติกี่ปีคะจึงสำเร็จเรายังไม่าสาเร็จเลยเรายังตะเกกตะกายอยู่เนี่ คำถามจากคุณศิลาพรค่ะถ้าเราปล่อยปลาชนิดใดเราต้องเลิกกินปลาชนิดนั้นตลอดชีวิตไหมเจ้าคะแล้วแต่เราจะเลิกก็ได้ไม่เลิกก็ได้มันไม่เกี่ยวกันปล่อยเรื่องปล่อยก็ปล่อยไม่เรื่องกินก็เรื่องกินกันคนเรเรื่องกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามดยการกินปลาของเราไม่ได้ฆ่าไม่ไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเราหรืเกิดจากการสั่งของเราก็าไม่บา เรือว่าเราปล่อยปลาดุกแล้วเราไปตลาดเห็นปลาดุกตายซื้อมากินนี่ก็ไม่บาไม่มีปัญหาเลยไม่ไปทําให้ปลาดุกที่เราปล่อยมันจะตายไปเพรเราไปกินปลาดุกตัวที่เขาตายที่ตายแล้วในตลาดนั่นคนละเรื่องกันคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะอยากได้ในสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่แล้วแต่อยากได้อีกเมื่อได้ฟังเทศของพระอาจารย์จึงพยายามแก้กิเลสข้อนี้ นั่งสมาธิพิจารณาได้ว่าเป็นเพียงวัตถุภายนอกไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้เวลาเห็นสิ่งของชิ้นนั้นอีกใจก็เฉยเฉยไม่มีความอยากได้แล้วปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะถ้าจบได้ไม่อยากได้ก็ถูกถ้ากลับมาอยากได้เมื่อไหร่ก็ผิดเพราะนาทีมันหลอกเราตอนนี้อาจจะไม่อยากได้เดี๋ยวพอไปเจอของที่มันสวยสุดๆขึ้นมานี่เดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันอยากได้ขึ้นมาก็ แสดงว่ามันยังไม่ตายคําถามจากคุณเพนพันค่ะครั้งแรกที่ได้อัปนาสมาธิอิ่มเอิบใจมากมากหลังๆเข้าสมาธิได้แต่ไม่ได้อิ่มเอิบแต่ไม่ได้อิ่มเอิบเหมือนตอนแรกเป็นเพียงความสงบนิ่งหรือจะเป็นเพราะยังไม่ได้เข้าสมาธิจริงๆหรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันอาจจะเข้าไม่เต็มที่มันก็อาจจะไม่สุกเต็มที่ คำถามจากคุณพิมพ์สุพัชรสอค่ะการที่เราโดนต่อว่าต่างๆนาน า, นาจิตใจก็คิดโกรธเขาทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่ควรเก็บมาคิดโกรธหรือโทษเขาเราจะรักษาและงัดจิตใจเราอย่างไรดีคะเราก็ต้องมองว่าการพูดของคนอื่นนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนเรื่องของดินฟ้าอากาศคือเราไปสั่งไปห้ามไม่ได้ไปสั่งให้เขาพูดดีไปห้ามเขาให้เขาไม่พูดไม่ดีไม่ได้ เขาอยากจะพูดดีเรื่องเขาพูดไม่ดีก erm. <dive Bos> <ado> yes ็ต้องเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเราอย่าไปสนใจปล่อยเขาพูดไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เขาพอเขาไม่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนนเราต้องแก้ที่ตัวเราไม่ใช่ไปแก้ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาชมไม่อยากให้เขาด่า พอเขาไม่ชมทอเขาด่าก็เสียใจคำถามจากคุณจีราพัทน์ค่ะเราเป็นผู้หญิงแต่อยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชได้ใช่ไหมคะได้คำถามจากคุณเกษมศักดิ์ค่ะเมื่อจิตสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านนึกถึงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องการพิจาณาสังขารผมเลยทำตามดู ผมเลยกำหนดสติแยกดินน้ำลมไฟพิจารณาไปดูเห็นเหมือนกองขยะจากนั้นเกิดขนลุกเป็นสุขในใจจนน้ำตาไหลสภาวะเช่นนี้คืออะไรครับก็เห็นว่าร่างกายเป็นขยะเนยปล่อยวางร่างกายได้ไม่วิตกกังวลกับร่างกายทิ้งร่างกายได้จะทิ้งจริงหรือเปล่าก็ต้องรอเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นโรคอะไร ตอนนั้นจำเป็นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นเพียงแต่หนังตัวอย่างขณะที่เราพิจารณาอยู่นี่โดยที่ยังไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนี่เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างต้องไปเจอหนังจริงก่อนเหมือนกับชคชคกระสอบซาอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงจะรู้จริงๆก็ตอนที่จะตายต้อรู้สึกว่ามองเห็นร่างกายว่าเป็นกองขยะได้หรือเปล่าถ้ามองเห็นร่างกายเป็นกองขยะได้ก็จะไม่ทุกกับความตายของร่างกาย คำถามจะคุณเจียผัดก่อนหน้านี้จิตจะส่งไปข้างนอกคิดถึงคนค่ะทำแบบนี้ประมาณสองปีรู้ค่ะว่าสติอ่อนและก็เลยสกัดแล้วก็เลยสลัดความคิดแบบนี้ออกไปเวลาคิดถึงก็ตั้งใจบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธติดๆดกันช่วงนี้ดีขึ้นค่ะใจเฉยเฉยจะรู้เรื่องของกายมากขึ้นและถ้าคิดก็ใช้คำบริกรรมพุทโธไปแบบนี้เป็นวิธีที่หนูปฏิบัติถูกไหมคะ ก็เป็นวิธีของสติยังต้องไปขั้นที่สองคือต้องไปนั่งสมาธิต่อขั้นต้นนี้ก็ฝึกสติควบคุมความคิดให้ได้พอควบคุมได้ก็ไปนั่งถ้านั่งเฉยฉจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ก็จะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากสติมีสติก็ทำให้บรรเทาความฟุ้งซ่านได้แต่ยังไม่สุขเต็มที่ถ้านั่งสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งแล้ว จิตจะเป็นอุเบกขาแล้วจิตจะสุกเต็มที่คำถามจากคุณเอกกี้ค่ะก่อนหน้านี้ใช้ดูลมหายใจเข้าออกหลังๆไม่ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจิตไม่ค่อยสงบเลยเปลี่ยนมาเป็นบริกรรมพุทโธก็สงบบ้างเป็นบางครั้งแต่จะรู้สึกอึดอัดเหมือนจิตมันมาคอยจับที่ลมหายใจมากกว่าเหมือนมันคอยตีกันระหว่างบริกรรมพุทโธกับดูลมหายใจ ขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับถ้ามันอยากจะดูลมก็ดูลมไปอย่าไปขัดกันอย่าไปฝืนกันถ้ามันอยากจะดูลมก็ดูลมไปหยุดพุทโธทก่อนถ้ามันไม่ดูลมมันจะคิดก็่อใช้พุทโธคำถามจากคุณกูรูค่ะทำอนาปนาสติพอลมหายจะพอลมละเอียดหายไปอาการเหมือนคนหยุดหายใจแต่มีสติรู้อยู่กับความว่างความเรื่องของจิต ก็กำหนดจิตไปแลลึกถึงลมหายใจต่อจิตก็กลับมาจุดเริ่มต้นใหม่คือมารับรู้ลมหยาบและเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายขอเรียนถามครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่เล่าเมื่อรู้ว่าลมละเอียดหายไปแบบหมดลมหายใจไปควรกำหนดจิตไปในลักษณะใดต่อไปครับให้รู้เฉยๆให้สัตว์แต่ก็อย่าไปหาลมอย่าไปค้นคว้าหาลม ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีนมให้อยู่กับการความว่างความปราศจากนมไปคําถามจากคุณอินทร์ค่ะถ้าต้องปัดกิจกรรมทางโลกโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจะมีความเพียรมากเพื่อตัดกิเลสที่มีทางโลกจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรที่จะบรรลุธรรมคะก็ต้องไปปลียบวิเวกถ้าเราตัดกิจกรรมต่างๆได้ไดก็ไปปลียวิเวกไปอยู่คนเดียวในหาที่สงบ แล้วไปเจริญสติรักษาสิ่งแปดขึ้นไปแล้วก็นั่งสมาธิพอมีสติแล้วก็นั่งสมาธิได้พอได้สมาธิได้อัปปนาได้อุเบกขาก็มาพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์เพื่อจะได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปคำ ถ, ถามจากคุณทิติรัตน์ค่ะเดิมเคยนั่งสมาธิแล้วเข้าภาวังได้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เมื่อนั่งสมาธิแล้วไม่พบพวังหาไม่เจอคะ่ะมีแต่รู้ตัวตลอดจนออกจากสมาธิเพราะเหตุใดคะจะต้องทำอย่างไรต่อไปคะเพราะไม่มีสติเรามีสติอยู่อย่าไปอย่าไปหาผลอย่าไปอยู่ที่ผลอย่าสนใจไปที่เวลานั่งอย่าไปอยากให้มันตกพวังเวลานั่งก็ให้มันมีสติอยู่กับพุทโธหรืรอมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว คำถามจากคุณสุ ข, ขุมค่ะพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของสติสมาธิและคาบริกรรมทำหน้าที่ต่างกันยังไงครับเวลาเราบริกรรมนี่เรากำลังสร้างสติไงเวลาเราบริกรรมนี่เราจะมีสติหยุดความคิดพอเวลาเรานั่งเฉยๆถ้าความคิดไม่คิดจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาเป็นสมาธิจิตจะนิ่งไม่คิดอะไรจิตจะว่างจะเย็นจะสบายเป็นอุเบกขา จะมีความสุขมากไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นไม่ต้องพูดโทไม่ต้องอะไรจิตมันเข้าสู่ความสมบแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นไปจนกว่ามันจะหมดกำลังแล้วมันก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาทางปัญญาเป็นกรับพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอยากไปอยากได้ได้มาแล้วจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องหมดจะต้องจากเราไปในวันใดวันห น, นึ่ง คำถามจากคุณกันทพลค่ะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศาสนาพุทธจึงนับถือแบบหลวมๆและขาดศรัทธาอย่างแท้จริงจึงยังดับทุก์ไม่ได้เพราะเหตุใดครับเพราะไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ต้องศึกษาให้เข้าใจคำสอนต่างๆที่พระเจ้าสอนแลําลงไปปฏิบัติ ถึงจะเกิดศรัทธาที่แท้จริงขึ้นมาเวลาเห็นผลจากการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วมันดีทําให้เรามีความสุขมากขึ้นทาให้ความทุกข์น้อยลงไปคําถามจากคุณณพลค่ะเห็นคนหยิบยกเรื่องนี่มาเป็นข้อจํากัดในการบวชในที่นี้ยอมเข้าใจว่ามีนี่อยู่คือนี่ทางใจกับนี่ทางกฎหมายการที่บวชไม่ได้หมายถึงนี่ตามกฎหมายเข้าใจถูกต้องไหมครับ ชถ้ายังเป็นนี่อยู่ก็ต้องใช้นี่ให้หมดกันนี่ทางใจถ้าไม่มีได้ก็ดีแต่ไม่มีก็ทําไยังตัดไม่ได้ก็เดี๋ยวแบนบว ม, มันก็มันก็ยุ่งวุ่นวายใจห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มันต้องตัดหมดนะทั้งทางใจและทางกายถ้าเรายืมเงินพ่อแม่แล้วพ่อแม่ยกนี้ให้แล้วอย่างนี้บวชได้ไหมคะได้ถ้าไม่ถ้าเขายกนี่แล้วแสดงว่าไม่มีนี้แล้ว แล้วถ้ามีคนอาสาว่าจะใช่นี่แทนให้อย่างนี้หมดได้ไหมคะก็ต้องให้เขาใช้ให้หมดก่อนให้มันให้มันหมดไปสิ้นก่อนเดี๋ยวถ้าเขาอาสาแล้วเขาเปลี่ยนใจทีหลังเจ้านี่ก็จะมันตามมาทวงนี่เราอีกก็ต้องให้รู้ว่ามันหมดกันไปจริงจริงก่อนเพียงแต่อาสาแต่ยังไม่ทําก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมดต้องรู้ว่าหมดก่อนคาถามหมดค่ะ เดี๋ยวขอพักเดี๋ยวเหนื่อยเหมือนกันวันนี้พูดเยอะนั่งรอคำถามอยู่ยนะเดี๋ยวคำถามมาเข้ามาตหลังนี้ใครอยากจะถามก็ถามได้ไม่ถามก็เดี๋ยวขอพักเดี๋ยวยังมีเวลาประมาณสิบห้านาทีคำถามจากผู้ไม่ประสงค<ม>์ออกนามค่ะการที่เราคิดอกูสลนกับบุคคลอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจที่จะคิด แต่มันคิดไปเองและยังไม่กระทบต่อบุคคลนั้นจะบาปหรือไม่ครับยังไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นถ้าเราควบคุมมันได้เราไม่ทาถ้าเราไม่ไปทำตามความคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่คิดได้ยิ่งดีใหญ่เพราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันควบคุมไม่ได้ก็อาจจะไปทำตามที่เราคิดก็ได้แต่เวลามันคิดก็ใช้สติหยุดมันใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมัน อย่าปล่อยให้มันคิดคิดเดียวมันจะลามลางคิดปั๊บเดียวมัดับไปนี่มันก็ไม่มีปัญหาถ้าปล่อยมันคิดซ้ําๆบ่อยๆครั้งเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวเดียวมันก็จะไปทําตามความคิดต่อไปคําถามจากคุณเอกยี่ค่ะพระพุทธเจ้ามาตาสัสลุกี่พระองค์แล้วครับอ๋อนําไม่ท้วนไม่มีใครเก็บสถิติไว้เพราะว่าแต่ละองค์จะมาตาสัสลุนี่เวลาระหว่างองค์ ห่างกันเป็นเป็นกับเป็นแสนแสนล้านปีไม่มีใครสามารถที่จะไปคน้นคว้าประวัติได้เพราะว่าโลกแต่และโลกมันอาจจะพังไปหมดแล้วประวัติต่างๆที่เราเก็บไว้ในโลกนี้สังวันหนึ่งมันก็จะสูญไปหมดพอโลกนี้ตายไปคนต่างๆทุกอย่างที่มีในโลกนี้ก็ตายไปหมดพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่ก็อาจจะไปเกิดอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ องนี้มาเกิดในโลกนี้องค์กรอาจจะไปเกิดอยู่อีกโลกอาจจะเป็นอยู่โลกดาวอังคารแต่ดาวนี้โลกดาวโลกังคารยานี้มันหมดสภาพแนละ้วไม่มีใครอยู่ได้นะนั่นประวัติต่างๆของโลกนั้นก็หายไปหมดอย่างนั้นไม่มีใครรู้แบบเพียงแต่รู้ด้วยด้วยด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเออมันมีมาเกิดอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวันหมดโลกแต่และโลกนี้มันหมดแล้วก็มีโลกอื่นเกิดขึ้นมาใหม่ มีเกิดมีดับของมันไปอย่างนี้เนะี่ยดวงอาทิตย์นี้ดับเดยกก็มีดวงอาทิตย์ใหม่โผล่ขึ้นมาโลกใหม่โผล่ขึ้นมาจั ก, กรวาลใหม่โผล่ขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ไปเขาเรียกว่านิจังเหมือนกันพวกอย่างคำถามจากคุณก้อยค่ะเวลาสวดมนต์ชอบคิดอะไรไม่ดีทั้งทั้งที่จริงๆไม่ได้คิดแบบนั้นทําให้ไม่อยากสวดมนต์ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้อย่างไรคะ อ, อยา่าไปสนใจมันจะคิดไม่ดีเราก็คิดดีไปแล้วก็สวดมนต์ไป ต่อไปความคิดไม่ดีมันก็จะหมดกำลังไปเองอย่าไปให้มันมาเป็นอุปสรรคต่อการสวดมนต์อย่าไปสนใจห้ามมันไม่ได้แต่อย่าให้มันมาหยุดการสวดมนต์ของเราเราก็ต้องบังคับตัวเราให้สวดต่อไปเมื่อเราสวดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถา ม, ถามจากคุณปัทมาพรค่ะเมื่อมีสิ่งมากระทบ แล้วยมเห็นอารมณ์พุ่งปี๊ดแต่ในทางร่างกายไม่ได้ทำตามอารมณ์ยมจะทำอย่างไรไม่ให้สะเทือนกับอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาเจ้าคะก็ให้เฉยๆไว้ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเราไม่ต้องทำเลยเหมือนกับเราเห็นเห็นเครื่องบินบินผ่านมาแล้ ว, วมันก็บินไปเราไม่ต้องไปมีความรู้สึกอะไรกับมัน ถ้ามีก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณทีิทกค่ะบางครั้งสิ่งที่เราได้รับรู้และได้จากการปฏิบัติในเรื่องปัญญาที่สอนใจตนเองไม่ให้หลงไปกับกิเลสในบางเรื่องแต่ไม่สามารถบอกหรือบรรยายให้คนอื่นรับรู้ได้เป็นเพราะอะไรครับก็พราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปบรรยายบอกเข้านี้ คำ ถ, ถามจากคนธรรมดาค่ะหากจะแยกกายกับจิตต้องน้อมจิตพิจารณาอย่างไรคะก็ต้องหยุดนั่นไงหยุดหยุดหยุดความคิดต้องทำใจจิตให้สงบพอจิตสงบจิตมันจะแยกออกจากร่างกายตอนนี้จิตมันมาติดอยู่กับร่างกายด้วยการส่งกระแสความคิดไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราหยุดความคิดปั๊บกระแส ของจิตที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกางก็จะถูกถอนกลับเข้าไปในจิตตอนนั้นจิตกับร่างกายก็จะแยกกันเหมือนกับเวลาที่เราใช้โดรนนี่เราติดต่อกับโดรนเพราะเราเปิดกระแสวิทยุติดต่อมันสั่งให้มันบินพอเราปิดเครื่องปิดกระแสวิทยุแล้วมันก็ไม่ติดต่อกันจิตกับจิตกับร่างกายก็เหมือนคนควบคุมกับโดรนนี่ ร่างกายนี้เป็นเหมือนดโดรนครับส่วนจิตนี้เป็นผู้ควบคุมตัวดโดรนนะด้วยการส่งกระแสวิญญาณมอเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมารับรู้ถึงต่างๆผ่านทางร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิเราใช้สติดึงไอ้กระแสจิตนี้ออกจากร่างกายจะไปคิดถึงรูป ก, ก็ไม่ได้จะไปคิดถึงเสียงก็ไม่ได้เวลาเรามีพุโทโธพุโทโธนี้เราจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว ความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงเกี่ยวกับนกมันก็จะหยุดไปพอหยุดไปวิญญาณก็จะถอนเข้ามาถอยเข้ามาสู่ใจใจก็จะรวมทันขันทั้งสีจะมารวมกันที่ใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมารวมจิต ก, กันนิ่งสงบสัตว์แต่ว่ารูปไปเป็นสมาธิไปคําถามจากคุณรัก ส, สุขภาพค่ะในกรณีที่เราทําบุญกับพระสงฆ์ แต่เราไม่สามารถทราบได้ว่าท่านใดเป็นเนื้อนาบุญที่ดีถ้าเราวางใจว่าบุญนี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแบบนี้สมควรหรือไม่ค ะ, ะความจริงบุญนี้ทําเพื่อใจใจเราต่างหากไม่ได้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ที่รับผลบุญจากรับทานจากเราไปทําต่อไปทีน่นี้เหมือนการทําบุญจริงๆนี่เราสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารใจ ได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจส่วนผู้ที่รับของจากเราไปนี้ท่านจะไปทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านถ้าท่านเป็นพระดีท่านก็เอาไปทำประโยชน์กับศาสนาต่อถ้าเป็นพระไม่ดีท่านก็อาจจะไปทำประโยชน์ของท่านอาจจะไปซื้อไอ o n นรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมาอยู่ตอนนี้ก็ได้คำถามจะคุณสมใจค่ะ ตอนเราทําบุญเสร็จและอุทิศบุญตอนตรวดน้ําต้องให้กับตัวเองก่อนหรือให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าคะให้ให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นปู่ยา่าตายายบิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องไปสนใจกันหรอกสนใจกับคนที่มีพระคุณกับเราคําถามจากคุณโดราคะ่ะถ้ามีเวลาสองชั่วโมงเราควรเลือก ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมดีกว่ากันเจ้าคะถ้าปฏิบัติธรรมได้ก็ปฏิบัติก็จะดีกว่าเพราะการปฏิบัติจะได้ผลแต่ถ้ายังปฏิบัติไม่เป็นก็ต้องฟังธรรมก่อนขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้ายังอยู่ในระดับเรียนรู้อยู่ก็ต้องฟังธรรมถ้ารู้แล้วก็ไปปฏิบัติคําถามจากคุณบีบีค่ะทำหน้าตาเป็นเช่นไรครับทำไมอยากปฏิบัติกันมากครับ ธรรมก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไงศีลสมาธิปัญญานี่ยนี่คือหน้าตาของธรรมมีศีลห้าก็แสดงว่ามีธรรมแลมีศีลแปดก็มีธรรมแลมีศีลสองรอยยิบเจ็ดก็มีธรรมแลมีสมาธิก็มีธรรมแลมีปัญญาก็มีธรรมนี่คือหน้าตาของธรรมหน้าตาของธรรมนี่สวยงามเพราะว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงใครมีธรรมแล้วจะมีแฟนเยอะ เนี่ยเรามีแฟนเป็นแสนแล้วเนี่ยมีผู้จุดแฟนคำว่าแฟนก็ชอบใช่ไหม <c oughs> จะขึ้นแสนสามแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าตาของธรรมไอหน้าตาที่เห็นนี่หน้าตาของร่างกายไม่ใช่หน้าตาของธรรมหน้าตาหัวล้นโลนี้เขาไม่เอาเก็เอาเสียงธรรมเนี่ยก็เอาธรรมเอาปัญญาคําถามจากคุณณพลค่ะ คนที่มักถูกกล่าวหาใส่ร้ายในทางที่ไม่ดีโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเป็นแท้รับบาปจะ ต, ต้องจะ ต, ต้องทำใจอย่างไรคะถือว่าเป็นวิบากแล้วกันชาติก่อนคงจะไปคงไปทำไปว่าไปว่าร้ายผู้อื่นก่อนชาต น, นี้ก็เลยต้องมารับผลที่เคยทำเอาไว้ไดังพยายามอย่าไปว่าร้ายใคร้วต่อไปจะไม่มีใครมาว่าว่าร้ายเราคำถามจากคุณมงคลค่ะ เมื่อได้ยินเสียงคนอื่นพูดบางครั้งรู้สึกว่าตนเองกําลังไม่พอใจหรือบางครั้งรู้สึกว่าความโกรธกาลังกดกําลังเกิดขึ้นอาการที่รู้สึกเช่นนี้เรียกว่าพอมีสติหรือว่ากําลังขาดสติครับกําลังมีสติแต่ยังมีสติไม่พอยังหยุดมันไม่ได้ต้องสร้างสติขึ้นมาหยุด ม, มันได้พอรู้ว่าจะโกรธก็พูดโทพูดโธไปพอมันหายโกรธก็แสดงว่าเรามีสติเต็มที่ แต่ถ้าเรายังโกรธอยู่แสดงว่าเรามีสติครึ่งเดียวมีสติรู้ว่าเราโกรธแต่ไม่มีสติที่จะหยุดมันให้มันไม่โกรธได้ดีกว่าคนที่ไม่รู้เลยพอใครก็ดา่าเราก็ว่าเราก็โกรธแล้วก็ด่ากลับเลยแสดงว่าไม่มีสติเลยคำถามจากคุณแมวคะ่ะเวลาปฏิบัติธรรมวันพระที่วัดมักได้กลิ่นหอมบางครั้งเหม็นเป็นอะไรคะ ก็เป็นที่จมูกแล้วมั้งคำถามจากคุณทิติรัตน์ค่ะใส่บาททุกวันค่ะตอนนี้เฉยๆไม่อิ่มเอิบค่ะไม่ได้กวดน้ำใส่น้อยไป้องใส่ให้มันมากขึ้นเลยแล้วอธิษฐานในใจพ่อแม่จะได้รับบุญไหมคะถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ได้ถ้าเขารอรับอยู่ เขาไม่นอนรับอยู่เขแสดงว่าเขาไม่ไม่ต้องการบุญนี้เขาเป็นเทวดาแล้วเขาก็ไม่ต้องมารอนรับบุญหรือเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรไปแล้วเขาก็ไม่มารอนรับบุญผู้ที่มารับบุญนี้ต้องเป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาณคือพวกเบตรัตนนั้นเองนอกนั้นแล้วเขาไม่มารอรับบุญถ้าพ่อแม่อย่างไม่ตายก็ไม่ไม่ต้องรับบุญส่วนนี้เพราะเขามีบุญก็ทำเองได้เขาได้มากกว่าจากการมารอนรับบุญจาก แ้วก็ต้องการบุญก็กไปทำบุญเองได้คำถามจากคุณอรารยาค่ะใส่บาตรไม่กวดน้ําได้ไหมคะได้ถ้าเราไม่อยากจะอุทิศบุญก็ไม่ต้องกวดหรือถ้าจะอุทิศบุญก็ไม่ต้องกวดก็ได้เพราะการอุทิศบุญนี่ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้น้ํากวดเพียงแต่ให้เราระ ล, ลึกภายในใจเราว่าเขาทิศบุญที่เราได้ทําในวันนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ที่นุ่งรับไปแล้วก็ถือว่าได้อุทิศบุญแล้วการอุทิศบุญนี้ ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เขาเอาน้ำมานี้มาเป็นตัวอย่างของบุญที่เรามีอยู่ในใจเร า, าบุญเรานี้เป็นเหมือนกระแสน้าเวลาเราโกวดน้ำเราก็พูดไปในใจว่าขอที่ส่วนบุญนี้ให้ก้อนนั้นกอนนี้เราก็เหมือนกับเราก็ส่งบุญไปทางกระแสน้ำางทีเราส่งไปทางกระแสจิตคำถามจากคุณเอ๋ค่ะถ้าในชาตินี้ พบเจอแต่คนเอาเปรียบกานแกล้งหมายถึงชาติก่อนๆเราเป็นคนไม่ดีมาใช่ไหมคะใช่เราคงไปเอาเปรียบกานแกล้งคนอื่นเขาชาตินนี้เราก็ต้องมาเจอของของที่เราทำเอาไว้จะทํากรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผ้าหลาังก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังต้องรับผลของกรรมพระเทวทัตยังมาตามค่าพระพุทธเจ้า เพรเคยเป็นคู่ศัตรูกันมาก่อนพระมุกกรานะก็ต้องมาถูกเขาฆ่าตายเพราะเคยไปฆ่ากันอื่นเขาก่อนงั้นถ้ายังยังเกิดอยู่ยังต้องใช้กรรมเก่าอยู่แต่ถ้าตายแล้วไม่เกิดก็กรรมทั้งหลายที่ทําไว้ก็หมดไปคำถามจากคุณโก้ค่ะการอยากปฏิบัติธรรมถือเป็นเหตุการทําเหตุให้ถูกผลย่อมถูก การปฏิบัติเป็นเหมือนการเดินมรรคเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือการเจริญมรรคมรรคเป็นเครื่องดับความทุกข์เป็นเครื่องละละกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปจากใจมีข้อนึ่งนะ ม, มีกี่ข้อมีเหเียวข้อเดียวข้อสุดท้ายคําถามจากคุณพัชราค่ะที่บ้านมีศาลเจ้า ที่บ้านมีสารเจ้าที่แต่ไม่ได้ไว่ายเพียงแค่ทำบุญก็จะแบ่งบุญไปให้จะได้รับหรือไม่เจ้าคะถ้าเจ้าที่ก็เป็นเปรกก็ได้แล้วก็รารับก็ได้ถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรเขาก็ไม่ต้องรับเ ป, เ, ปเป็นพวกเดียวที่ต้องการบุญพวกเดียจ้าหาบุญของเขาเองได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นเอาแล้วนะตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา